มาหาน้องบ่อยนะคะเดี๋ยวเมียพี่ว่าเอาหนะักนาะจักอย่ามาให้บ่อยเดี๋ยวเมียพี่รู้หูพี่จะยานกว่าเก่าไม่น้อยน้องก็จะพลอยเป็นฝ่ายอนันดุพี่อย่ามาหาน้องบ่อยนะคะเดี๋ยวเมียพี่ว่านาะจักรู้นะว่าเมียพี่ดุเดี๋ยวคนปากยาวเท้าความ เป็นน้อยมานั่งเป่าปีต้องชํำมดีโซกีโซกากลัวถูกเมียหลวงมาแช่งมาดาต้องนั่งน้ำตาหยดติ่งติ่งเ อ, อ้ยจริงไม่ค้าบ ค, คุณพี่อย่ามาหาน้องบ่อยนะคะเดี๋ยวเมียพี่ว่านะจ๊ะ 在乎你。 หาน้องบ่อยนะคะเดี๋ยวเมียพี่ว่านะจ๊ะน้องนะักไทยพระไทย